บุกทูแปดสิบสามโอมดอีอุดิตออดีตการสามมีนาทวเวรเมทรีทวเรเมโทรศัพท์เทลโฟนีรา ดิฉันโทรศัพท์แล้วย e s teleponira ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Yes cello v r e ถามรับชัว ที่ฉันถามแล้ ว, าาวที่ฉันได้ถา ม, สมสเสมอเรา ดิฉันเล่าแล้วยัสรดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้วยสยรัปริยรนยน ดิฉันเรียนแล้วที่ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย Yes uči ทำงาน Работи Работи ดิฉันทำงานแล้ว y e работа Yes, работа ด yes, ิฉันทำงานทั้งวันเลย Yes, работа till dawn y р а б о т รับประทานทานยาดยาเด ดิฉันทานแล้ว Yes, yade Yes, y e ดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว Yes, g i c e to yadenye Yes, go izedov celo to y a